คนกนะ็ตั้งนางตานะคอยมองประจันนะเพราะมีปรากฏการณนะ์ที่นานๆจะเกิดทีนะประจันเต็มดวงแล้วก็มีจันทรุ ป, ป ร, ราคานะแบบเต็มดวงด้วยแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะเพราะว่าเมฆนี่หนามากนะฟ้าปิด ตรงข้ามกับตอนเช้ามืดนะก่อนทําวัดดวงจันทนะร์กลมโตเต็มดวงสว่างสวยัยแต่ว่าจันทรุ ป, ป ร, ราคาก็ผ่านเลยไปละอาการความเปลี่ยนแปลงของดวงจันทร์นี่จะว่าไปมันก็ไม่ต่างจากอาการของใจเรานะเมื่อคืนเนี่ย เราไม่ได้เห็นดวงจันทร์เลยงั้นจะว่าไปมันก็ไม่ต่างจากในยามที่เราหลงนะในยามที่ความหลงมันครองใจดวงจันทร์ที่จริงเนี่ยนะก็สว่างไสวตลอดทั้งคืนแหละแต่ที่เราไม่เห็นเนี่ยก็เพราะเมฆมันบงังใจเราก็เหมือนกันนะพระเจ้า ตัดว่าเนี่ยจิตนั้นประพัสสอนนะแต่เศร้าหมองเพราะกิเลสนะมาเยือนในยามที่ความหลงนะครองใจมันก็ดูมืดมนนะแต่เพราะว่าความหลงนะจางหายไปพอความหลงจางหายไปนะนะก็เห็นพระจันทร์สว่างสวยัย ใจที่มีความตื่นรู้นะหรือว่ากลับมารู้เนี่ยมันก็จะโปร่งโล่งเบาสบายันหน้าที่ของเรานะสำหรับนักปฏิบัติก็คือทำให้ความหลงเนี่ยมันจางหายไปจากจิตใจ เพื่อให้มีตัวรู้มาแทนที่แล้วเมื่อตัวรู้มาแทนที่เนี่ยใจเราก็จะสว่างสวัยนะโปรง่งโล่งเบาสบายแม่ เ, เนี่ยมันเลือนหายไปก็เพราะว่าลมเนี่ยพัดพาไปเราก็เห็นประจันร์เต็มตัวอีกครั้งหนึ่งไม่ช้าก็เร็ว ใจเราเนี่ยในยามที่ความหลงนมันคลองใจสิ่งที่จะช่วยได้คือสตินะหลงเมื่อไหร่นะมีสติรู้ทันนะมันก็เลือนหายไปไม่ว่าความหลงนั้นจะมาในรูปของความโกรธนะความเกลียดนะความเศร้า ความวิตกกังวลหรือวความรู้สึกผิดนะรวมทั้งความฟุ้งซ่านต่างๆให้พวกนี้เนะี่ยเปนตัวที่เรียกว่าทําให้เกิดความหลงขึ้นนะในจิตใจอย่างที่บอกเวลานะจิตใจงเรามันสว่างนะประพัด ส, สอนแต่ว่าที่บางครั้งเรารู้สึกหม่นมัวหรือว่ามืดมนเนี่ย มันก็เพราะความหลงนี่ยมันมาบดบังแ้วความหลงหรือตัวหลงเนี่ยนะมันก็มากจะคลองจิตคลองใจเราอยู่ตลอดเวลาหรือเกือบตลอดเวลาก็วาได้ไม่เหมือนกับเวลาหลับเวลาตื่นนะร่างกายเราเนี่ยเวลาหลับเนี่ยมันก็หลับเป็นเวลา แล้วก็ตื่นเป็นเวลาแล้วปกติแล้วเนี่ยเราหลับน้อยกว่าตอนตื่นเราหลับแปดชั่วโมงนะตื่นก็16ชั่วโมงอันนี้คือร่างกายไม่อยากหลับนะแต่มันก็หลับเมื่อถึงเวลาไม่อยากตื่นนะมันก็ตื่นเมื่อถึงเวลา ตาสว่างเลยเพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยนะจะหลับยังไงก็หลับไม่ได้แต่ใจเนี่ยนะมันหลงมาก็รู้แม้ในยามที่เราตื่นนะแต่ก็โดนความหลงคลองใจบางคนที่หลงทั้งวันเลยอยู่วความฟุ้งปรุงแต่งจมอยู่กับความเศร้า หรือคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยแล้ว น, น, นี่เรียกว่าหลงเนี่ยแทบทั้งวันเลยจะมีช่วงที่รู้ตัวบ้างก็ไม่มากจริงอยู่นะอาจจะทำอะไรอาจจะทำอะไรได้เช่นอาบน้ำถูฟันได้อาจจะกินข้าวได้อาจจะพูดคุยกับคนได้แต่ว่ามันหลงซะเยอะ คนเราเนี่ยแม่หลงเนี่ยมันก็ทำอะไรได้นะเช่นขับรถเนี่ยคนที่กำลังโกรธจัดเนี่ยขับรถตะบึงห่อไปหรือบางทีโดนคนปาดหน้านะก็วิ่งไล่ล่าเขามีคุณหมอท่านหนึ่งเล่าว่าเนี่ยขับรถกลับบ้านนะพอถึงแถวสามย่านนี่ มีรถคันหนึ่งปาดหน้าหมอโกรธมากเลยเนะี่ยไล่ตามไปกว่าจะไปกว่าจะรู้ตัวก็ถึงปากําแล้วเนะี่ยตอนนั้นยังสาวนะ ย, ยังไฟแรงอันนี้เรียกว่าหลงนะหลงแต่ว่าขับรถได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะกว่าจะรู้ตัวว่าทำอะไรลงไป นะมันก็ไปถึงปากน้ำแล้วก็วสมัยก่อนนี่นะสามย่าปากน้านี่มันไกลกันนะถนนก็ไม่ได้ดีมนสมัยนี้ตอนนั้นเป็นตอนกลางคืนเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเลยเราหลงนะมากกว่ารู้นะในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยทำอะไรถูกก็จริงแต่ว่าไม่เคยรู้เนื้อรู้ตัว แล้วก็ทำผิดทำถูกเวลารังจานเวลากินข้าวเราก็ทำได้แต่ทำด้วยความหลงแล้วเรามาปฏิบัติทำนะก็เพื่อจะทำให้ความหลงมันจางคลายไปมีตัวรู้มาแทนที่แต่ว่าตัวหลงนี่มันก็ฉลาดนะมันก็พยายามนะที่จะมาคลองจีครองใจของเราตลอดเวลา ขนาดมาเจริญสติยกมือสร้างจังหวะเพื่อทำให้เกิดความรู้ตัวแต่ตัวหลงมก็โชยโอกาสระหว่างที่ยกมือไประหว่างที่เดินจงกรมไปนะก็ทำด้วยความหลงนะตั้งใจจะเดินจงกรมตั้งใจจะนะเจริญสติเพื่อได้เกิดความรู้ตัว นะแต่ได้ความหลงนั่นะมันฉลาดมากขณะที่เรามาทำวัดสดมนนะเราก็ต้องการทาให้จิตของเราตื่นอุตสาห์ตื่นแต่เช้าเพื่อให้ใจมันตื่นนะัไม่ใช่ให้กายตื่นด้วยนั่นะบอกว่าตัวหลงนี่มันนะครองใจเราไปมากกว่าครึ่งของเวลาทำวัดสดมนก็มีนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่าท้อนะ การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติถูกเนะี่ยตัวรู้ก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถที่จะนะเอาชนะนะตัวหลงได้เร็วขึ้นนะเครื่องมือที่สำคัญกนะ็คือสตินะสติเนี่ยสติในที่นี้เนี่ยนะมันเป็นสติที่มากกว่าธรรมดา สติธรรมดาก็มาถึงความระลึกได้ระลึกได้ในเรื่องนอกตัวนึกได้จําได้ว่าวางรองเท้าไว้ที่ไหนทำวัดเส็ก็เดินไปใส่รองเท้าถูกอันนี้ก็เพราะสติหอใส่เท้าเสร็จ ก็จำได้ว่ากุฏิหรือห้องพักเราอยู่ตรงไหนก็เดินไปถูกหรือว่าอยากจะเข้าห้องน้ำก็จำได้ว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ตรงไหนใกล้ๆกับหอตไตรก็ไปถูกอันนี้เราใช้สติแต่เป็นสติที่ธรรมดาเป็นความระลึกได้ในเรื่องนอกตัว แต่ที่ไม่ธรรมดาก็คือนะความระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจในเรื่องตัวเองกายทำอะไรก็รู้นะระลึกรู้แนะม้ว่าขณะที่เดินจงกรมยกมือสร้างจังหวะมันก็จะมีบางช่วงนะลืมลืมไปว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนั้นใจ มันคิดโนอนคิดนี่คิดถึงบ้านคิดถึงลูกคิดถึงแฟนคิดถึงงานคิดถึงอาหารที่ถูกปากตอนนั้นทำอะไระไม่รู้แล้วลืมไปแล้วแต่เป็นการลืมชั่วขณะสักพักก็จำได้ว่านี่เรากาลังเดินองกรมนะนี่เรากาลังสร้างจังหวะนะนี่เรากาลังทำวัรสดบนอยู่นะ ให้ความเลือดไ้นี่แหละนะที่ทําให้ใจเนี่ยกลับมารู้เนื้อรู้ตัวสติมันช่วยดึงจิตให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็รู้ว่ากายกําลังทําอะไรนะอันนี้เรียกว่ารู้กายนะแล้วที่ใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจนกระทั่งรู้กายได้ก็เพราะว่ารู้นะว่าเพ้อคิดอะไรไปนะอันนี้ก็เรียกว่ารู้ใจรู้ว่ามันกําลังโกรธรู้ว่ากําลังฟุง้ง มันเกิดขึ้นไล่ๆกันกับความระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่นะไอ้ความระลึกได้ว่ากําลังทําอะไรอยู่อันนี้ก็คือสติระลึกรู้หรือจำได้ในสิ่งที่เป็นปัจจุบันกําลังทําอะไรอยู่แต่ใจมันหวนกกลับไปนึกถึงอดีตหรือว่าใจมันลอยไปยังอนาคตภาพปรุงแต่งที่สร้างเอาไว้เกี่ยวกับอนาคต ซึ่งมักจะปรุงในทางลบทางร้ายทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความยึดมั่นสำคัญหมายว่าถ้างานมันนะไม่ดีงานมันเยะแบบนี้ฉันแย่แน่ๆนะนเกิดความหนักอกตักใจตัวทำอะไรในปัจจุบันเนี่ยตอนนั้นใจมันหลงไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ ลืมไปไปมัวจมอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบางแต่พอมีสติปุ๊บอ่พอเราลึกได้ว่ากาลังทำอะไรอยู่จิตเนี่ยมันกลับมาอยู่กับปัจจุบันเลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันหมายถึงเวลาในปัจจุบันแล้วก็กิจที่ทำในปัจจุบันกิจที่เราทำในปัจจุบันบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีต เกณฑการประเมินผลงานที่ผ่านมาการทบทวนชีวิตในรอบปีที่ผ่านมาอันนี้เราก็จำเป็นต้องมองย้อนกลับไปยังอดีตปีที่แล้วบ้างสองปีที่แล้วบ้างไอ้กิจที่ทำอย่างนั้นก็เป็นกิจปัจจุบันนะเราเรียกเป็นปัจจุบันได้ก็คือเรามองย้อนไปในอดีตด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่เผลอ ไม่ใช่ลืมตัวตถ้าเผลอถ้าลืมตัวนะั้มันจะมีความหงุดหงิดมันจะมีความกรัดกลุ้มมันจะมีความเศร้าเสียใจหรือบางทีก็คิดวกวนไปวอกวนมาเดียดดนนเด๋ยวก็กระโดดไปอันนั้น เ, เดียยเด๋ยวก็กระโดดไปอันนี้คิดเรื่องอดีตเดี๋ยวก็โยนไปเดี๋ยวก็กระโดดไปเรื่องอนาคตเนะี่ยอันนี้เรียกว่าทําด้วยความหลงแต่ถ้าเรา ทำอย่งมีสติเนี่ยมันก็จะคิดได้อย่างมีทิศมีทางนะไม่วกวนแม้สิ่งที่คิดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอดีตก็ตามถ้าเราคิดหรือทบทวนด้วยสตินะก็ถือว่ากาลังอยู่กับปัจจุบันนะหรือกาลังทํากิจในปัจจุบันในอีกทางหนึ่งถ้าเกิดว่าเรากาลังวางแผนเกี่ยวกับอนาคตนะถ้าเราวางแผนด้วมีสตินะอันนี้ก็เรียกว่า ทำกิจปัจจุบันเหมือนกันนะหรือว่าเรียกว่าอยู่กับปัจจุบันทําได้นะมองย้อนไปข้างหลังหรือมองไปข้างหน้าถ้าทำอยังมีสติด้วยความรู้ตัวก็ถือว่ากําลังอยู่กับปัจจุบันหรือกําลังทํากิจปัจจุบันอยู่แต่ส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นนะอย่างที่เราสวดมนต์นนะบทหนึ่งก็จะบอกว่าเนี่ยเมื่อใดบุคคลตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัย แล้วพะวงถึงสิ่งเที่ยงหมามาไม่ถึงสิ่งที่พระเจ้าบอกคือว่าเนี่ยอย่าตามคิดถึงสิ่งที่ลงไปแล้วด้วยอัไลน์และไม่พะวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่ลงไปแล้วถ้าเราจมอยู่ในความอัไลน์อันนี้เรียกว่าไม่มีสติหรือว่านึกถึงอนาคตแล้วเราเกิดพะวงอันนี้ก็ไม่มีสติอันนี้เรียกว่าหลงนะไม่ใช่ว่านึกถึงอดีตไม่ได้ไม่ใช่ว่านึกถึงอนาคตไม่ได้ ทำได้แต่ทำด้วยสติทำด้วยปัญญาสตินะี่อย่างที่บอกนะมันช่วยทำให้ใจเรากลักบมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำกิจในปัจจุบันหรือทำกิจที่ควรทำในปัจจุบันได้ในอย่างถูกต้องสามารถจัดลำดับความสาคัญได้ว่าควรทำอะไรก่อนหลังมีคนเคยถามว่าเนี่ยถ้าเกิดว่า เรากําลังเราอยากจะเที่ยวอยากจะสนุก ส, สนุกสนานความสุขสนุกสนานตอนนัน้นก็เป็นปัจจุบันนะอยู่กับปัจจุบันก็ก็ไม่ผิดเสินะไปอยู่กับความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินอันนั้นก็ต้องมาดูก่อนว่าเนี่ยไอ้กิจที่ควรทําในปัจจุบันมันมีอะไรบ้างกิจที่ควรทําในปัจจุบันอาจจะได้แก่การให้เวลากับลูกการมีเวลาพักผ่อน การศึกษาความรู้หรือว่าการเจริญสติการทำสมาธิภาวนาแต่ละอย่างแต่ละอย่างก็สาคัญแต่บางอย่างมันก็ไม่สำคัญเช่นความสนุกสนานเพลิดเพลินเนี่ยเพลิดเพลินกันมาหลายชั่วโมงแล้วนะถ้ามันทำให้กิจที่ควรทำในปัจจุบันหลายอย่างไม่ได้ทำไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่มีเวลาให้กับครอบครัวคนรักลูก พ่อแม่ไม่มีเวลาสำหรับการศึกษาความรู้ไม่มีเวลาสาหรับการทาสมาธิภาวนาอย่างนั้นก็ไม่สมควรแล้วคนทําอะไรเนี่ยทอย่างมีสติเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอะไรควรทําก่อนอะไรควรทําหลังเรียกว่าจัดลำดับความสําคัญได้เพราะไม่มีสตินั่นเลยนะจึงไม่รู้อะไรสําคัญก่อนอะไรสาคัญหลัง สิ่งที่ไม่ควรทำหรือว่าสิ่งที่มันไม่สำคัญก็กลับทำก่อนเพราะว่ามันถูกใจถูกกิเลสอย่างนี้เรียกไม่มีสติสติที่เราฝึกเนี่ยก็คือสติที่ช่วยทำให้เราเนี่ยได้รู้ทันนะความเป็นไปของใจแล้วก็รู้ว่ากายกำลังทำอะไรมันเป็นเหมือนตาในนะตาใน ตาข้างนอกหรือตาเนื้อเนี่ยมันทำให้เราเห็นข้างนอกเราก็รู้ว่าปลอดภยัยไ้ยอันตรายัหยรอบตัวเราหรือเส้นทางข้างหน้าตาไหนก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันนะก็คือทำให้รู้ว่าจิตใจเราปลอดภยัยั้มมีอันตรายมาคุกคามจิตใจไหมสิ่งที่คุกคามจิตใจนะ พูดรุนรัคือความหลงถ้าจำแนกไปก็เช่นความโกรธความโลภความถือตัวถืเรียกว่าอีโก้ความหลงตนวความเกลียดความพยาบาทความอิจฉาไอ้พวกนี้ล้วนแต่เป็นอันตรายต่อจิตใจบางทีก็เผารุนใจบางบางทีก็บีบคั้นใจบ้างบางทีก็ทิ่มแทงใจบ้างบางทีก็กดทับ ใจทำให้รู้สึกหนักบ้างเราปล่อยให้มันคลองใจมาเยอะแล้วเพราะอะไรเพราะหลงเพราะไม่รู้ตัวแต่เราจะรู้ตัวได้นะจนกระทั่งเป็นอิสระจากอารมณ์นั้นก็เพราะว่ามีตานในเนะี่ยคือมีสตนะิเป็นสติที่ไม่ใช่สติธรรมดาอย่างที่พูดนะมันช่วยทำให้เรารู้กายรู้ใจ รู้กายเนี่ยนะก็หมายความว่าเราทำอะไรใจก็รู้แม้จะปิดตาก็รู้นะยกมือแต่ปิดตาก็รู้ว่ายกปิดตาถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่าปลายจมูกอยู่ตรงไหนคิ้วอยู่ตรงไหนนะหูอยู่ตรงไหนเราลองปิดตาดูนะแล้วเอามือ นะจับที่ใบหูทุกคนนะจับถูกนะถ้ามีสติเวลาบอกว่าเอานิ้วเนี่ยนะไปแตะที่ปลายจมูกทุกคนก็ทำถูกแม้จะปิดตาเพราะอะไรนะเพราะมีสติสติคือตาในที่ทำให้เรารู้ว่าปลายจมูกอยู่ไหนนะหน้าผากอยู่ตรงไหนคิ้วอยู่ตรงไหน แม้หลับตาก็เอามือชี้ถูกเอามือจิ้มถูกนะอันนี้เราสติเนี่ยมันทำให้เรารู้กายแล้วไม่ใช่เวลากายอยู่นิ่งๆเวลากายเคลื่อนไหวก็รู้นะเวลาใจคิดนึกก็รู้ถ้าสติไวพอในการใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยนะอย่าใช้แต่ตาอย่าใช้แต่หูนะในการรับรู้สิ่งภายนอก ให้มีสตินะรู้กายรู้ใจในเวลาเดียวกันด้วยพระอาจารยประสงค์นีท่านเคยถามเด็กคนหนึ่งนะเด็กกินกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเด็กอายุไม่กี่ขวบนะแปดเก้าขวนะเด็กกินกว๋วยเตี๋ยวท่านก็ถามว่าหนูกินกว๋วยเตี๋ยวนี่หนูเห็นอะไร ถ้าเป็นคนธรรมดาหรือผู้ใหญ่ทั่วๆไปก็บอเนี่ยเห็นเส้นเห็นลูกชิ้นเห็นน้ำซุปแต่เด็กบอกว่าเนี่ยหนูเห็นกายมันเคลื่อนไหวขณะทีนะ่กินกว๋วยเตี๋ยวหนูเห็นปากมันขยี้ขยับแล้วก็หนูเห็นข้างในมันพอใจในรสชาติก๋วยเตี๋ยว สิ่งที่เด็กน่ตอบเนี่ยนะก็คือเห็นกายเห็นใจนั่นเองเราเคยเห็นอย่างนี้บ้างไหมเนะีเวลากินข้าวเวลากินก๋วยเตี๋ยเนี่ยเห็นกายมันเคลื่อนไหวนะขณะทีะ่ช้อนหรือว่าจับช้อนตักน้ําใส่ปากหรือว่าใช้ตะเกียบนีคีบลูกชิ้นใส่ปากทําอย่างนั้นได้ต้องมีตานะตาเนื้อมองเห็น ลูกชิ้นนะมองเห็นน้ำซุปนะแต่ในราเดียวกันเนี่ยก็ควรจะเห็นกายที่เป็นเคลื่อนไหวด้วยในเวลาเคี้ยวเกิดความพอใจในรสชาติในรสอร่อยเห็นมันบ้างหรือเปล่านะเห็นความพอใจไม่ใช่รู้สึกว่าฉันพอใจไม่ใช่รู้สึกว่าฉันอร่อยนะ จะเห็นความพอใจเห็นความรู้สึกอร่อยอันนี้มันต่างกันนะเห็นความพอใจกับรู้สึกพอใจเนี่ยไนะอนน้รู้สึกพอใจคือฉันพอใจอย่างที่หลวงพ่อเขียนว่าในเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นถ้าตอบว่ากินก็ยวยเตีแล้วอร่อยเนี่ยแสดงว่าฉัฉนเป็นนะ ไอ้ความอร่อยนี่เป็นของฉันไปแล้วหรือว่าพอใจเนี่ยจะว่าฉันพอใจเนี่ยไม่ใช่เห็นความพอใจแต่กลายเป็นผู้พอใจไปแล้วนะนั้นมันต่างกันนะเวลาดีใจก็เหมือนกันนะเห็นความดีใจนะไม่ใช่กลายเป็นว่าฉันดีใจเวลาเครียดก็เหมือนกันนะเห็นความเครียดอย่ารู้สึกว่าฉันเป็นผู้เครียด เวลาเราปฏิบัติเนี่ยบางทีมันก็มีความเครียดมีความฟุ้งเนะให้เห็นนะว่าข้างใ น, นมันเครียดนะไม่ใช่ฉันเครียดข้างใ น, นมันฟุ้งนะไม่ใช่ฉันฟุ้งนะอันนี้แหละคือความแตกต่างระหว่างเห็นกับเป็นและที่มันยิ่งกว่านั้น น, นนะถ้าเกิดว่าเครียดพอเห็นหรือรู้วเครียดเมื่อไหร่เนี่ยความเครียดมันหายเลยนะ กำลังเครียดเครียดอยู่เนี่ยพอรู้ว่าเครียดเนี่ยความเครียดกลายเป็นความไม่เครียดไปเลยกำลังหงุดหงิดอยู่พอเห็นหรือรู้ว่าหงุดหงิดนะให้ความหงุดหงิดบงกลายเป็นความไม่หงุดหงิดไปเลยขณะที่กําลังโกรธอยู่นะพอเห็นรู้รู้ว่าโกรธนะความโกรธมันกลายเป็นความไม่โกรธไปเลย ให้หลวงพ่อเขียนทักษสอนย้ำอยู่เสมอนะเปลี่ยนนะความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลงนะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เนี่ยมันทำด้วยวิธีนี้คือไม่ต้องไปทำอะไรกับไอ้ความเครียดความหลงความทุกข์ความโกรธเพียงแค่มีสติรู้มันอย่างเดียว พอมีสติรู้นี่ไอความหลงกลายเป็นความไม่หลงเลยความกลัวกลายเป็นความไม่กรวดความทุกข์กลายเป็นความไม่ทุกข์ความเครียดกลายเป็นความไม่เครียดเราไม่ต้องไปกดข่มมันไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยเพียงแต่ทำหน้าที่ของเราก็คือรู้นะเหมือนเหมือนกับ น, น้ำเสียนะน้ำเสียน้ำเน่าเนี่ย เราไม่ต้องไปวิทย์นะให้เสียเวลาเราเพียงแต่ปล่อยน้าดีเข้าไปน้าดีมันก็จะไปไล่น้ำเสียเองไม่ไม่เหนื่อยนะความมืดเราไม่ต้องทำอะไรความมืดเราเพียงแค่จุดแสงสว่างความสว่างก็จะไปไล่ความมืดเองนะเปลี่ยนความมืดให้กลายเป็นความสว่างนะด้วยการจุด เทียนหรือดยการเปิดหน้าต่างเนี่ยเขาก็ทำกับใจอย่างนั้นแหละใจของเราก็ทําอย่างนั้นแหละในยามที่มันหลงก็ไม่ต้องไปสู้ล้วตบมือความหลงเพียงแต่รู้นะมีสติรู้แล้วตัวสติเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงั้นพยายามทำนะพยายามเจริญนะพยายามหมั่นรู้ตัว อย่าไปงุนงิดนะเวลามันฟุง้งอย่าไปตีกชกัวานะเวลามันเครียดให้มองว่ามันคือการบ้านเนะีที่จะฝึกสติเพราะถ้าไม่มีความเครียดไม่มีความฟุ้งเนี่ยสติเราก็ไม่มีคู่ซ้อมนะเหมือนนักเรียนที่ไม่มีการบ้านนักเรียนไม่มีการบ้าน หรือว่าได้แต่การบ้านง่ายๆเนี่ยเด็กก็ไม่ฉลาดนักเรียนจะฉลาดได้ก็เพราะมีหรือทำการบ้านบ่อยๆแล้วการบ้านนี่มันก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนักชกเนี่ยจะเก่งได้ก็ต้องมีคู่ซ้อมการรู้ทันจะเกิดขึ้นได้มันก็ต้องห ล, ลงก่อนมันหลงก่อนมันถึงจะรู้ทันมันต้องมีความเครียดก่อนมันถึงจะรู้ทันนะ มันต้องมีความฟุ้งก่อนมันจึงจะรู้ทันรู้ทันบ่อยๆรู้ทันบ่อยๆนี่มันก็จะทำให้รู้ได้ไวขึ้นได้ไวขึ้นแล้วก็ช่วยปลดนะปลดเปรืองใจให้เป็นอิสระนะจากความทุกข์หรือว่าช่วยทำให้ความหลงเนี่ยที่มันครองใจเนี่ยมันเลือนหายไปเพราะฉะนั้นวางใจให้ถูกนะเวลาราปฏิบัต มันจะมีอะไรผ่านเข้ามาก็เห็นมันอย่าไปเป็นมันาความเครียดจะเห็นมันนะมันไม่ทำมันไม่เล่นงานจิตใจเรามันไม่เป็นทุกข์เท่าไหร่เห็นความเครียดนิใจไม่ทุกข์หรอกเห็นความโกรดนิจใจก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเป็นผู้เครียดเป็นผู้โกรธอมืรนี่อ้มันมันทั้งร้อนนะทั้ง หนอกหนักใจรู้สึกจิตถูกบีบคั้นเป็นเมื่อไหร่เนี่ยทุกเมื่อ น, นั้นนะแต่ถ้าเห็นเนี่ยมันมีแต่ความโปรง่งความเบามันเกิดขึ้นไม่เป็นไรข้อสมคัญคืออย่าไปอย่าไปเป็นมันกันแล้วกันจะไปเป็นมันนะความฟุ้งเกิดขึ้นก็อย่าไปยึดมันเคยมีคนถามหลวงปูด่ดูนัตุโลว่วาหลวงปูน่นี่มีโกรธัหย เพาเขาเชื่อว่าท่านเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์ท่านตอบสั้นๆมีแต่ไม่เอานะมีแต่ไม่เอาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยขนาดขนาดหลวงปู่นี่ท่านยังมีโกรธนะแต่ถ้านต่างจากเราต่างจากคนทั่วไปคือมีเหมือนกันแต่ไม่เอาคนส่วนใหญ่มีแล้วก็ไปเอาั้งที่ไม่ชอบแต่ก็ไปยึดทาไมถึงเอาก็พอหลง เพราะไม่รู้ทันแต่เราก็ฝึกได้นะถึงแม้เรายังเป็นปุถุชนเราก็ฝึกได้ว่าเออโกรธมีเครียดมีฟุ้งมีแต่ไม่เอาเริ่มต้นจากการที่เห็นมันก่อนคือไม่เป็นความเครียดความฟุง้งความหงุดหงิดมีเป็นเรื่องธรรมดาข้อสำคัญคือว่าอย่าไปเป็นมันหรืออย่าไปเอามันแต่ที่จริงมันมีมันมา ือฝึกให้เรารู้วิธีจะเห็นโดยไม่เข้าไปเป็นถ้ามันไม่มาเราจะฝึกให้เห็นได้อย่างไรนะเราจะนึกเอาก็ไม่ได้เราต้องฝึกด้วยการเจอของจริงเมื่อของจริงมาเราฝึกว่าฝึกให้เห็นไม่เข้าไปเป็นเพราะฉะนั้นต้อนรับนะต้อนรับสิ่งเหล่านี้เวลามันผ่านเข้ามาในใจของเราความหงุดหงิดความฟุ้งความแม้กระทั่งความโกรธความอยาก มันมาเพื่อสอนให้เราเห็นไม่เข้าไปเป็นใช้วนื้อเพลงแ่ น, นี้นะ